ธรรมเทศนะกันนี่ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณะสำปันโนแสดงเมื่อวันที่29มกราคม2568ณวัดป่าบันตัดจังหวัดอุดรธานีท่านนันนบปฏิบัติทุกๆท่านโปรดทําความเข้าใจกับตนเอง ว่าบัดนี้เราได้ก้าวเข้ามาในวงของพระาศาสนาที่เรียกว่าวงแห่งธรรมะหน้าที่ของผู้ มีความเป็นอยู่กับวงแห่งศาสนาในความเป็นนักบวชของตนโตรดได้ทราบตนเสมอว่าแม่จะอยู่ใน แผนดินอันเดียวกันที่เรียกว่าโลกก็ตามแต่ว่าความเป็นอยู่ความรู้จิตความประพฤติ ท, ทุกด้านของนักบวชผู้อยู่ในวงแห่งระศาสนาย่อมมีความแตกต่าง ก, กันกับโลกทั่วๆไปจะยากจะง่ายจะลำบากฝึมเครื่องสะดวก อย่างไรต้องเป็นผู้อุตส่าหพยายามนำเนินไปตามหน้าที่ที่เข้มทิศแห่งธรรมได้ที้บอกไว้แล้วอย่างใดอย่าปล่อยให้ความอิจนาและอาใจเข้าแทรกสิงภายในใจจะอยู่ในโลกแห่งธรรมะนี้ไม่ได้ โลกที่อยู่ทั่วดินแดนเขาเป็นอยู่ด้วยความฝุดเพืองความสะดวกความสุขความทุกข์ความยากความง่ายเช่นเดียว ก, กันกับโลกแห่งธรรมะของเราเพราะใครอยู่ที่ไหนก็มีเครื่องบังคับที่จะให้ดำเนินกิจการงาน ทั้งยากและง่ายสิ่งบังคับนั้นได้แก่ธาตุขันธาตุขันนี้ทุกอาการที่มีอยู่ในตัวของเราและตัวของสัตว์ทั่ ว, วไปเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องอาศัยเครื่องบำรุงรักษาเสมอไปถ้าขาดการบำรุงรักษาแล้วชีวิตจิตใจจะสืบตอก ในร่างนี้ไปไม่ได้ต้องแตกสลายลงเพราะขาดตัดใจเครื่องอุดหนุนเมื่อสิ่งจำเป็นซึ่งบีบบังคับให้เราจำต้องทำงานเรื่องของงานยากบ้างง่ายบ้างการไปการมาทุกอย่างที่เพื่อความ จำเป็นอันนี้ทุกทุกคนและทุ ก, ท, กทุกตัวสัตว์จึงฝ่าฝืนไปไม่ได้จะยากง่ายลำบากขนาดไหนก็ต้องฝืนไปเราอยากเข้าใจว่าบ้านนี้เมืองนี้บ้านโน้นเมืองโน้นประเทศนี้ประเทศนูน้นจะมีความสะดวกกายสบายใจ ไม่มีสิ่งมารวบกวนให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนโลกไหนก็คือโลกแห่งตินฟ้าอากาศโลกแห่งธาตุขันซึ่งเป็นความจำเป็นเสมอตัวด้วยกันไม่มีใครจะฝ่าฟื้นหรืออยู่เนื้ออำนาจของโลกบีบบังคับโลกโลกบีบบังคับคือธาตุขันนี่ไปได้สัตว์ตัวเล็กเล็กก็มีความจำเป็นเท่าตัวของตน สัตว์ตัวใหญ่ก็มีความจำเป็นเท่าตัวของตัวเองมนุษย์และสัตว์ทุกๆชั้นทุกๆประเภทย่อมมีความจำเป็นเท่าเทียมกันในการที่จะยิ่งเป็นขวนขวายเพื่อจะลดย่อนผ่อนผันความบีบบงับงคับของธาตุขันให้เป็นไปพอประมาณ เมื่อเป็นเช่นนั้นโลกกับธรรมจึงมีการงานเป็นเครื่องํำเนินเช่นเดียวกันจะผิดแปลกกันอยู่บ้างก็เพียงว่าทําตามหน้าที่หรือความจำเป็นและเพศของแต่ละฝ่ายเท่านั้นส่วนเรื่องการงานนั้นที่แปลว่าการกระทานั้นเหมือนกัน ฉะนั้นผู้อยู่ในโลกต้องฝืนความลำบากด้วยการทำงานสแสวงหารายได้ไม่ฝืนก็เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่บีบบังคับนั้นเป็นไปอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีเวล่ำเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นแม้ที่สุดเรารับทานอีบหนำสำราญแล้ว โรคภายในกายยังต้องมีขึ้นอาการใดที่เป็นไปอยู่ในกายไม่ปกติอาการนั้นแสดงว่าจะต้องการสิ่งเยียวยาเมื่อความจำเป็นเกิดขึ้นเช่นนั้นผู้เป็นเจ้าของจะนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องวิ่งเต้นขวนขวายสุดวิถีทางเพื่อ สิ่งที่บกพร่องหรือจำเป็นซึ่งบีบบังคับอยู่นั้นให้ลดน้อยถอยลงฉะนั้นการงานของโลกกับการงานของธรรมจึงมีหน้าที่ดำเนินไปตามเทศของตนหรือตามความจำเป็นของตนแต่และฝ่ายละฝ่ายไม่มีโลกใดไหนจะอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำกิจการงาน ใ, นใดๆไม่กระทบ ความยากความลําบากความทุกข์ความฝืดเคืองเพราะโลกนี้เป็นโลกที่อยู่ของผู้ฝืดเคืองเป็นโลกที่อยู่ของบุคคลผู้ยุ่งยากและสัตว์ผู้จําเป็นที่จะต้องแสวงหาทุกๆสิ่งซึ่งเป็นความจําเป็น แ, แก่ตนเองมาเยียวยาเสมอ ถ้าตัวเองมีความเกลียดแค้นและความงูกเข่าเบาปัญญาไม่สามารถจะปกครองตนได้ก็ยิ่งมีความทุกขเวีคูณขึ้นเป็นลำดับในบุคคลและครอบครัวนั้นๆหรือในสัตว์ตัวนั้นๆเพราะฉะนั้นกิรยิรยาของสัตว์และบุคคลที่เคลื่อนไหวไปมาขบข่ายให้เราได้เห็นอยู่นี้ทั้งบนแผ่นดิน บนอากาศตามบ้านตามถนนหนทางเต็มไปด้วยสัตว์ด้วยบุคคลที่วิ่งควักขวายกันอยู่เพื่อสิ่งจำเป็นซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายของตนทางนั้นผู้อยู่ในน้ำก็ต้องสแสวงหาผู้อยู่บนบกก็ต้องสแสวงหาอยู่ที่ไหนก็ต้องวิ่งว่อนกันอยู่เช่นนั้นไม่มีใครจะอยู่เฉยๆได้ นี่โลกมันจำเป็นอย่างนี้เรื่องโลกจำเป็นก็เกี่ยวกับเรื่องของเรานั่นเองจำเป็นคำว่าโลกนี่หมายถึงส่วนรวมทั้งหมดที่อยู่ด้วยกันท่านเรียกว่าโลกบุคคลและสัตว์รวมกันเข้ามังมากตลอดวัตถุสิ่งของทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นดินนี้รวมกันเข้าท่านเรียกว่าโลก จะโลกไหนก็ต้องเป็นโลกวิ่งเก่นขวัขวายด้วยความทุกข์ความลำบากเหมือนกันนี่เราก้าวเข้ามาสู่วงแห่งระศาสนาเนี้ยจะให้ชื่ออันหนึ่งก็ไม่ผิดว่าโลกแห่งธรรมะคือเป็นวงอันหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่กับโลกทั่วๆไป เราจำเป็นจะต้องวิ่งเต้นขวัญขวายเพื่อเยียวยาสิ่งที่บุกคล่องหรือขัดขวางภายในจิตใจของเราให้คอยหมดไปเป็นลำหนับถ้าเราก้าวเข้ามาสู่วงแห่งาศาสนาว่าเป็นของลำบาก ไม่สามารถจับประพฤตุลให้เป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วเราไปอยู่โลกไหนเราจะสามารถปกครองตัวของเราได้เพราะเราอยู่ในธรรมเราก็ไม่สามารถเราอยู่ในโลกเราจะไปหาความสามารถมาจากไหนเพราะความสามารถนั้นเกิดขึ้นจากเราและความไม่สามารถก็เกิดขึ้นจากเราคนเดียวเพราะให้ คำหนึ่งถึงเรื่องของตัวเสมอที่จะปรับปรุงตัวเองอย่างใดจึงจะเป็นไปเพื่อความอาจหาราเริงต่อหน้าที่การงานของตนซึ่งอยู่ในวงแห่งพระศาสนาประการหนึ่งเราที่อาศัยวงของพระศาสนานี้ได้ครบได้ชั้นได้อยู่ได้หลับได้นอน ได้ชได้สอนด้วยความสะดวกสบายนี้เป็นมาเพราะเหตุใดทุกสิ่งที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นมาจากเรื่องของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ทรงให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่โลกพระพุทธเจ้าที่จะได้อุบัติขึ้นมาในโลกนั้นทรงทำอย่างไหน มนในปรากฏว่าความอ่อนแอความจีเกียดจีครานความท้อแท้ได้เข้าเคลือกแฝงในปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและเคลือกแฝงในธรรมะที่ทรงประทานไว้ทุบบททุบบาทรวมแล้วแปดหมื่นสี่พันธรรมะขันไม่ปรากฏว่าธรรมะบทใดที่เจือไปด้วยความท้อแท้อ่อนแอความเกียดคร้านความมักงา่า ความประพฤติตนตามอำเภอใจชอบเพราะอำนาจแห่งกิเลสเป็นเครื่องผลักดันออกมาหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาไม่ได้อุบัติขึ้นมาเพราะทำรามกเหล่านี้แต่อุบัติขึ้นมาเพราะความขยันหมั่นเพียร แก้วกราสามารถที่จะปลดเครื่องพระองค์ด้วยความเพียรทั้งนั้นจนปรากฏเป็นองค์พุทธะขึ้นมาแลสอนอัดสอนทมให้เราทั้งหลายได้รู้ร่องรอยเมื่อโลกทั้งหลายได้เห็นจริงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเชื่อรลื่อมใสผู้ที่บวชเข้ามาในพระศาสนาก็บวชเข้ามาเพื่อเพราะความชื่อเ่อมายในธรรมของพระองค์ท่าน ผู้ที่ให้อุปถัมภะถาตดูแล ร, รักษาให้ชีวิตจิตใจของนักบวชเป็นประจำก็คือศรัทธาญาติโยมท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้มีศรัทธาแก้วกล้ า, ลาสามารถที่จะเสียสละของมีค่าของตนจะเป็นจำนวนมากน้อยไม่คำหนึ่งหวังผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมให้พระเจ้าพระสงค์ได้รับความสะดวกสบายในการประพฤติปฏิบัติที่อยู่หลับนอนก็บารุงรักษา มีจตภาสณะทรัพย์ออกมาไม่คำหนึ่งถึงคุณค่าราคาว่ามีเท่าไหร่ที่เราได้รับความสะดวกนี้ได้รับความสะดวกเนื่องมาจากคำว่าพุท ธ, ธะคือองค์ของศาสนาซึ่งทรงดำเนินเป็นตัวอย่างและวางร่องรอยแห่งธรรมาไว้พร้อมทั้งพระเมตตา ถ้าหากเราจะเป็นคนอ่อนแอมองข้ามตัวเองไปเสียว่าทางโน้นจะดีที่นี่จะดีที่นั่นจะดีแล้วจะไม่มีวันเป็นตัวของตัวได้เอียงไปทางนไปทางไหนก่อนเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์ความลำบากสำหรับผู้เราที่ไปอาศัย จะไปอาศัยครูอาศัยอาจารย์อาศัยหมู่เพื่อน้าเราเป็นตัวของตัวไม่ได้ตามกำลังของเราก็ทำหมู่เพื่อนให้เดือดร้อนลำบากหนัก อ, อกหนักใจถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้ที่คดงอหรือเกิดขวางไม้ทั้งหลาย เฉพาะอย่างยิ่งทุกๆท่านโตได้ทราบว่าวัดป่าบรนตาศนี้ไม่ใช่เป็นวัดแดนสวรรค์พอที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นมาเองแต่เกิดขึ้นมาด้วยความอุตสาห์พยายามยิ่งเต่นขวนขวายแม่ที่สุดข้อวัดปฏิบัติที่ประจำองค์ของพระแต่ละรูปละรูปก็เป็นเรื่องที่จะตัวเองจะพยายามบํารุง ให้เกิดมีขึ้นด้วยความเข้มแข็งไม่ใช่เกิดขึ้นเองผู้ก้าเข้ามาสู่ที่นี่ก็ดีจะไปสู่ที่ไหนก็ดีอย่าลืมคำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าขันติคือความอดทนวิริยะคือความภาคเพียรภาคเพียรอะไรจึงจะเรียกว่าวิริยะ ขันติความอดทนอดทนต่ออะไรจึงจะเรียกว่าขันติที่ชอบทำและเป็นธรรมประดับใจของผู้นั้นวิริยะก็คือเพียรในกิจการงานที่ชอบซึ่งจะสามารถ ผ, ผลให้ตนได้รับความสุขความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับขันติก็คือความอดทนต่อสิ่งที่มากระทบกระเทือนหรือความลำบากยากเย็นเฉนใจของตัวเอง จะมีมากมีน้อยจะลำบากขนาดไหนไม่ยอมปล่อยวางหน้าที่ต้งตนมีความอดทนบึกบืนต่อสู้เสมอสมชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระคาถากคตผู้มีความอดทนจนเป็นศาสดาของโลกได้ด้วยอำนาจแห่งความอดทน การอบรมจิตใจเพื่อความสงบเยือกเย็นแก่ตนเองเราต้องดูนิสัยของเราถ้าว่าเป็นนิสัยของเราเป็นผู้ที่มีความเมาบางอยู่แล้วจะบำเพ็ญเพียงนิดหน่อยก็สามารถจะรู้ขึ้นมาได้ตามต้องการ แต่ถ้าเราบำเพ็ญอย่างนั้นผลไม่ปรากฏแล้วก็แสดงว่าเราจะต้องวิเปล่งหรือหนักมือเข้าไปเพื่อเห็นผลขึ้นมาถ้าทำขนาดนั้นยังไม่เข้าใจอีกเราต้องหนักเข้าไปอีกในทางความเปลี่ยนนั่นจึงชื่อว่าเป็นสิทธิ์ของภาษาคนไม่ใช่จะไปลูบๆคํํๆแล้วตั้งคะแนนขึ้นมา ให้ธรรมะอยู่เหนืออำนาจของตัวเองโดยที่ว่าเราบำเพ็ญเพียนมาเพียงขนาดนี้ขนาดนี้นั่นตามหลักธรรมชาติของผู้มีความรู้สึกเช่นนั้นจะเพียงลูกๆคําคําเท่านั้นแต่เข้าใจว่าตนนี้มีความเพียนกล้ายิ่งกว่าครูคือศาสตราแล้วก็ตั้งคะแนนให้ธรรมะว่าเราบำเพ็ญขนาดนี้ไม่เห็นมีผลประโยชน์อะไร เราจะไม่ควรจะบำเพ็ญต่อไปออกไปเป็นฆราวาสเยาเรือนยังดีกว่านี้ถ้าคนคนนั้นออกไปเป็นฆราวาสเยาเรือนดีแล้วทำพระเจ้าก็ล้มละลายชิบหายคนที่มีแสนขี้เกียจแสนเกียจคร้านแสนทอดแท้อ่อนแอแล้วจะไปดำเนินอะไรให้เป็นไปโลกก็ต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องดำเนินเพื่อความจเจริญไม่ใช่จะ เป็นไปด้วยเพื่อความเจริญได้ด้วยความเกลียดค้านความอ่อนแอเท่านั้ น, น, นผู้ที่ตั้งคะแนนให้ทำเป็นเครื่องกดฉีบ่บังคับธรรมะคํำสอนของพระโพธิเจา้าโดยวิธีที่กล่าวนี้ก็จะไปตั้งคะแนน ใ, นให้โลกอีกเหมือนกันอตกลงก็ไม่มีโลกอยู่เพราะไปโลกไหนก็คือโลกของเราโลกเกียดค้านโลกอ่อนแอนี่เองไปทําความเดือดร้อนรําควานแก่ตัวเองให้รับความเดือด ทุกความพรมานอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดวกกายไม่สบายใจเพราะความทุกข์ากความลำบากหากินไม่พอปากพอท้องเพราะความขยันหมั่นเพียรไม่มีอยากบเพ็ญในทางธรรมะก็ เ, เป็นไปไม่ได้นี่โรคเกลียดครั้นได้ฝังเข้าหัวใจผู้ใดแล้วต้องทำ ผ, ผู้นั้นให้เป็นคนล้มละลายตั้งหลักฐานไม่ได้นี่หลักสาคัญ เราไม่ต้องไปตั้งคะแนนให้ธรรมะไม่ต้องไปบังคับให้ธรรมะมาให้ผลอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นผลชั้นไหนก็าตามขอให้ตั้งคะแนนในตัวเองในเรื่องความเพียรเป็นหลักสำขัดวันนี้ทำความเพียรขนาดนี้ไม่เห็นผล เ, ออเราทราบว่าที่เราเท่าที่เราทานี้ไม่เห็นผลคือความสามารถหร ก, การกระทาของเราไม่เพียงพอเราต้องเพิ่มปริมาณเขาอีก เพิ่มปริมาณความเพียรเพิ่มความสัง่งรวมระวังเขา้าทุกระยะการเอายังไม่ปรากฏเอาเพิ่มเข้าอีกพยายามระมัดระวังรักษาตัวสติกับความเพียรให้มีการจดจ่อเกี่ยวพันกันอยู่ตลอดเวลาแล้วผลนั้นเราไม่ต้องไปบังคับเพราะผลก็จะเกิดขึ้นจากเหตุที่เราทำอยู่นั่นเอง ไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดจะมาตั้งคะแนนให้แม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ทรงตรัสไว้เลยว่าเป็นผู้ตั้งคะแนนให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายบรรดาที่เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าท่านมอบให้เป็นเรื่องของเหตุซึ่งผู้นั้นบำเพ็ญได้แค่ไหนแล้วผลจะเป็นของผู้นั้นขึ้นมาตามลำดับแห่งเหตุที่มีมากน้อยสมบูรณ์หรือไม่น่ะนี่และหลักธรรมเป็นอย่างนี้ ลูกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนขี้เกียจอ่อนแอไม่ใช่คนตำหนิโน้นตำหนินี้โดยไม่มองดูตัวว่าดีชั่วแค่ไหนไปที่นั้นอากาศไม่ดีไปที่นี่ที่อยู่ไม่สะดวกไปที่โน้นอาหารการกินไม่ดีไปที่โน้นมู่เพื่อนไม่ดี นี่แสดงว่ามองข้ามตัวเองที่ดีหรือที่ไม่ดีเหล่านั้นมันเป็นของมืออยู่ประจําโลกโลกนี้เต็มไปด้วยของดีและของไม่ดีแต่ผู้มีปัญญาเลือกเฟ้นเอาไปใช้เป็นประโยชน์สำหรับผู้นั้นผู้ที่มุ่งโง่เขลาได้ก็จะได้ตักแต่การเที่ยวตาหนิโลกก็มีสงสารโดยไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นในทางจิตใจแม้แต่นิดหนึ่งชื่อว่าความดีแล้ว แนวก็จะมองตเตลิดเปิดเปิงไปหมดทีนี้ก็เลยอยู่กับโลกมาไหนไปหาครูหาอาจารย์องค์ไหนก็ค่อยไปจ้องมองของท่านท่านอท่านตรงนั้นเป็นยังไงท่านตรงนี้เป็นยังไงท่านดีขนาดไหนไม่ดีขนาดไหนคอยจ้องมองถ้าไปถูกองค์ที่ท่านดีเอ้ยเราก็มาในมองดูเราว่าเราเป็นยังไงนะถ้าอกไปถูกองค์ของท่านที่ เราเห็นว่าไม่ถูกกับจริตของเราก็ไปเหยียบย่ำตำหนิท่านมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโดยไม่ได้มองดูตัวเองว่ามันเท่ากิ่งกาหรือกิ่งเหลียญหรือไม่ตัวของเรานั้นทำไมจึงใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกเหยียบย่ำทับผมครูบาอาจารย์ไปหมดนั่นแล้วที่ภูเขาทั้งโลกมันคือทิฏฐิ คือเข้าใจว่าตัวนี่ดียิ่งตัวนี่ฉลาดพอตัวดียิ่งตัวฉลาดพอเลยมันมันเลยทับเลยไปมองเห็นตั้งแต่ข้างนอกลืมตัวของตัวนี่ไปเลยจับหลักจับเกณฑไม่ได้ไปที่ไหนโลกก็ร้อนพรอมันร้อนอยู่ที่หัวใจส่งออกไปขอบนอกขอบเขต จ, จักรวาลมันก็ได้ใจเนี่ย แต่มันจะเอาของดีหรือของชั่วมาให้ตัวเองนั่นมันแล้วแต่ผู้ที่จะปรุงจากคิดถาเอาเองการปฏิบัติธรรมไม่ว่าใครปฏิบัติก็ชื่อว่าทำงาน ต้องมีความลำมากเหมือนอนกันถ้าหากว่าเราจะเอานิสัยที่เราเคยสะดวกสบายมาตั้งแต่ทางโลกนำมาช้าในธรรมะนั่นก็จะทำให้เราเหลวคือตามธรมรมชาที่เราอยู่ในโลกนั้นมันต่างกันสำหรับตระกูลและทรัพย์สินสมบัติเงินทองของแต่ละครอบครัวถ้าพ่อแม่เป็นคนมั่งมี ลูกก็จะรับความสะดวกสบายชิดอะไรต้องการอะไรก็ได้สมมากสมหมายนี่เคยอยู่ในความสะดวกสบายนั้นอะ่ะเวลาจะออกมาปฏิบัติธรรมะก็จะให้เป็นความสะดวกสบายอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้เราต้องมาพึ่งตัวเองนี่หลักสาคัญเทนินนิสัยนั้นเคยฝังอยู่ในใจเวลาออกมาแล้วทําตัวให้อ่อนแอเลยหาหลักเกณฑ์ไม่ได้ ไปที่ด้่นกับตำหนี้นั่นไปที่นี่ตำหนีนี่ตัวเองที่เป็นคนขวางโลกเลยไม่ตำหนีขวางทั้งโลกขวางทั้งธรรมเลยไม่ตำหนีนี่ก็หาที่แก้ไม่ได้ตกลงก็เป็นโมคะบุรุษเป็นคนเปล่าในวงแห่งข้ากาสาวพัฒผือนักบวชซึ่งเป็นผู้ควรจะดีให้เป็นที่ล่มเย็นของตัวเองแลยโลกสงสารให้ได้กราบว่าหรือรับความล่มเย็นไปด้วยพร้อยให้ เป็นสิ่งที่ล้มละลายไปหมดภายในตัวนั่นเรื่องของนักบวชแล้วต้องเป็นนักไตรตรองดูเหตุดูผลดูความปร ะ, ประพฤติของตัวเองบกพ่องจุดไหนรีบแก้ไขเป็นลำดับไปฉะนั้นไม่ต้องเอาเรื่องความว่าง่ายหรือว่ายาก เข้ามาเกี่ยวข้องในวงงานของตนจะง่ายหรือยากก็จะทำให้ถูกต้องหรือให้สมบูรณ์ขึ้นตามที่ตนตั้งจุดมุ่งหวังไว้แล้วนั่นเป็นหลักสำคัญถ้าเราไม่ไปตั้งคะแนนให้ธรรมะ แต่มาตั้งคะแนนให้ตัวเองแล้วนั่นละ่ะเราจะดีสังเกตตัวเองบกพร่องตรงไหนพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นไม่ใช่จะบกพร่องอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ถูกการสังเกตรหรือซ่อมแซมด้วยตัวเองในทางความประพฤติจะต้องมีวันดีขึ้นจิตไม่ว่าจิตใครจิตที่เกิดมาในโลกนี้เป็นจิตที่มีกิเลส ด, ด้วยกัน อยากเข้าใจว่าจิตของใครจะเก่งกล้าสามารถไปโดยที่ไม่ได้อบรลจะฉล า, าดแสนฉล า, าดแค่ไหนก็ฉล า, าดอยู่ในวงแห่งธรรมะอยู่ในวงแห่งกิเลสนั่นเหมือนนักโทษในเรือนจำจะเป็นนักโทษเพียงสามเดือนหรือสี่เดือนสามปีห้าปีสิบปีตลอดชีวิตเขาจะเรียกนักโทษดยกันทท้งนั้น เพราะมันอยู่ในวงแห่งคนผู้คุมขังเป็นคนหมดความหมายที่โลกเขาไม่ต้องการเรื่องของจิตที่มีเจเลมันจะฉลาดขนาดไหนก็ฉลาดไปมันหากอยู่ในวงนั้นถ้าไม่อาศัยการอบรมแก้ไขตนเองแล้วจะผ่านพ้นความโง่ภายในตัวเองไปไม่นะ ถึงฉลาดก็ฉลาดเพื่อโง่นำความทุกข์เดือดร้อนมาเพื่อตัวเองอยู่นั่นแหละหากไม่มีธรรมะเป็นเครื่องบมรุงดือแนบนำอยู่ด้วยปล่อยให้แต่ความรู้ความฉลาดเป็นไปในทางโลกโดยล้วนๆแล้วต้องเป็นอย่างนั้นคำว่าธรรมะนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องเขียนเบอร์ติดไว้ในบุคคลคนนั้นๆแต่เป็นธรรมะในหลักธรรมชาติ ซึ่งใครจะให้ชื่อให้นามไม่ให้ชื่อให้นามก็ตามเมื่อทำถูกธรรมะก็คือความถูกนั่นเองเราบวชก็ามาในศาสนาตั้งหน้ามาฝึกหัดนิดสัย ดัดแปลงตัวเองเรื่องประเพณีของโลกที่เคยผ่านมาแล้วเป็นยังไงไม่ต้องเอามาเกี่ยวข้องในวงของพระในวงปฏิบัติของเรานอกจากจะพยายามแก้ไขออกไปสิ่งใดที่เห็นว่าจะเป็นเครื่องกังวลหรือเป็นอุปสรรคแก่ตนเองพืน้นคิดไปมากเท่าไหร่ก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าสิ่งใดที่เป็นความผิดแล้ว ต้องพยายามปล่อยวางเป็นลำหดับไปไม่ควรนำมาเกี่ยวข้องภายในใจมีเราจะเป็นไปเพื่อความสะดวกสบายอา้าวทุกข์ก็ให้ทุกข์คนอยู่ด้วยกันไม่ใช่ทุกแต่เราเช่นอยู่ในวัดนี้มีกี่รูปพระต้องทุกข์ด้วยกัน เพราะเป็นนักบวชด้วยกันอาศัยชีวิตความเป็นอยู่จากชาวบ้านหนุ่ยกันอยู่ในวงล้อมแห่งดินฟ้าอากาศเหมือนกันอยู่ในวงล้อมแห่งธาตุขันซึ่งเป็นเครื่องบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันอยู่ในวงล้อมของกิเลสซึ่งเป็นเครื่องบีบบังคับภายในใจโดยเฉพาะเหมือนกันใครจะมีความสุขแค่ไหน นอกจากจะพยายามฝึกฝนอบรมดัดแปลงตนเองให้ถูกตามหลักของธรรมะแล้วก็จะมีโอกาสตบเครื่องไปได้บรรณเล็กบรรณน้อยแล้วจะกลายเป็นคนสะดวกขึ้นมาภายในใจใจถ้ามีธรรมแล้วสะดวกทั้งนั้นอยู่ที่ไหนก็สะดวกนั่งยู่โครนต้นไม้ก็สะดวกอยู่อพกาศก็สะดวก อยู่ในถ้าในเขาในเหวที่ไหนก็สะดวกอดบ้างอิ่มบ้างก็สะดวกอาหารหาราวานขผาประเภทไหนได้มารับทานพอยังอัตภาพให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นสะดวกไปหมดมาในคำหนึ่งถึงเรื่องใดๆทั้งนั้นมีแต่เข็มทิศมุ่งต่ออาธิธรรมเพื่อถอดถอนจริงที่เป็นค่าตศึกต่อตัวเองผู้นั้นแหลสะดวกสบาย อยู่ไหนไม่เป็นภัยแก่ตนเองอยู่ได้อ ย, ย่างสมายประพฤติทำได้ด้วยความสม่ำเสมอไม่เป็นอุปสรรคต่อตอนเองอเรื่องทาการจิตขวางตนเองโดยเจ้าตัวไม่รู้นี่เป็นเรื่องสำคัญหาแต่เรื่องกอจะเรื่องอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วมานั่งภาวนาก็ก็ดีเดินจงกรมก็ดี สักแต่ว่าเท้าก้าวไปก้าวมาสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่ากายที่นั่งอยู่เหมือนหัวต่อแต่ความรู้สึกที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับธรรมะหรือไม่นั้นเราไม่ได้คำหนึ่งในขณะเดียวกันมีแต่โลกล้วนๆสัญญาอาดีตเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่ออะไรสัญญาอนาคตหมายไปว่าจะเป็นอะไรต่อไปเรื่องความเป็นมาเป็นยังไงเรื่องความจะเป็นไปข้างหน้าไปยังไง เกี่ยวกับทางโลกทางองศารลูปนั้นเป็นยังไงเสียงนี้เป็นยังไงยุ่งไปหมดตั้งแต่เรื่องเครื่องพัวพันภายในจิตใจทางนั้นแล้วจะหาความสงบสบายมาจากที่ไหนในวงแห่งธรรมะคำสอนกัมพูพธะจักเมื่อธรรมะแทรกเข้าภายในจิตใจไม่ได้แต่ปล่อยให้โลกรวนล้ว น, วนซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาล้อมรอบและผูกมัดตัดลึงทั่วทั้งจิตตลอดเวลาด้วยเลย เราจะหาความสุขความสบายจากองค์ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้า ม, มาจากที่ไหนเพราะธรรมะแทรกซึมไม่ได้เพียงขณะเดียวก็ไม่มีนอกจากมีแต่โลกล้วนๆหนาแน่นอยู่ภายในจิตใจโลกยิ่งเลสโลกมืดแปลด้า น, นเราจะหาความสุขจากที่ไหน ที่บำเพ็ญจิตใจมันเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นเพียงกิริยาที่เดินที่นั่งที่ว่าทําความเพียรเท่านั้นมันไม่มีสาระสัมพันธ์อะไรในหลักการเดินการนั่งภาวนานั้นเลยแล้วจะหาความสุขความสบายภายในใจมาได้อย่างไรผู้จะทำความสุขความสบายให้แก่กจิตใจได้ต้องเป็นผู้ฝืนฝืนอารมณ์ ที่เป็นฆาตศึกแก้อารมณ์ที่เป็นฆาตศึกชงเสริมอารมณ์ที่เป็นธรรมะให้เขาแทรกถิ่งภายในใจจนมีธรรมะล้อมรอบภายในใจกลายเป็นความสงบขึ้นมานะใจก็เยือกเย็นสบายมองเห็นหมู่เห็นเพื่อนก็เป็นมิตรเป็นสหายมองเห็นครูเห็นอาจารย์ก็เป็นที่เคารพกราบไหวมองเห็นผู้เห็นคนก็เป็นที่สงสารอเพราะมองเห็นตัวเป็นธรรม ถากโกงกันขามแล้วมองหาเห็นอะไรมีตั้งแต่เป็นพิษเป็นภยัยเป็นข้าศึกศัตรูทั้งนั้นแต่สิ่งใดที่จะเป็นข้าศึกศัตรูนั้นถือว่าเป็นมิตรอีกแล้วนั่นลูกเสียงกินน็อเครื่องสัมผัสซึ่งจะเป็นข้าศึกต่อตัวเองถือว่าเป็นมิตรเป็นอันสนิทสนมแล้วจิตใจก็กลมคืนกับเรื่องนั้นตลอดเวลาถึงหาความสุขความสบายภายในใจไม่ได้ แม้จะนั่งสมาธิตลอดลุ่มก็าตามเดินจงกรมตลอดคืนก็าตามจะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นจากกิริยาที่ทําเช่นนั้นเลยสําหรับบุคคลผู้ไม่มีความเพียรอันสัมพยุ ด, ด้วยสติการจัดสิ่งที่เป็นพาสดุต่อตนเองจะไม่มีทางผ่านพ้นไปได้เราจะถือว่ากิริยาเหล่านี้เป็นธรรมะของโมโพุทใจ สิงที่เป็นธรรมะจริงๆก็คือความเพียรที่เป็นไปด้วยสติด้วยความจงใจไม่เผลอเลยต่อตอนเองนั่นแหละเป็นหลักความเพียรจะไม่บอกว่าเป็นความเพียรก็คือความเพียร น, นั่นเองขอให้ทำความสำนึกในตัวของเราเสมอ เราจะเอาความยุ่งความยากความลำบากเข้ามาเป็นเครื่องบริกรรมโดยไม่ได้พิจารณาเห็นทุกข์นั้นเพื่อการถอดถอนแต่เป็นเครื่องที่จะส่งเสริมทุกข์ให้มีมากขึ้นเมื่อนาสิ่งเหล่านั้นมาเกี่ยวข้องกับใจลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า ออกบวชในศาสนาปรากฏชื่อลือนมสะเทือนสถทานทั่วทั้งปลายโลกประทานว่าเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรสามารถคว้าเอาชัยชนะมาได้เป็นชั้นๆจนถึงชั้นยอดเยี่ยมแห่งธรรมะเราบวชในศาสนาทำไมจะให้เขาได้เล่าลือว่าเป็นคนขี้เกียจขี้คร้านคนทอแท้อ่อนแอ แล้วจะนำเอาอความแพ้กลับไปบ้านมีอย่างนี้เรามาหาทมทำไมจะได้โลกรวดรดกลับบ้านโลกนั้นอยู่ที่ไหนมันก็มีในหัวใจของหมุกกนจิตต้องอาศัยการลบเล้า การอบรมสั่งสอนไตรตรองทำซ้ำซากซ า, ากจากตนเองเสมอไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีทางเดินเพื่ออัดตัวทําได้ขอให้พากันพิจารณาให้ดี อนหมูพืนมาก็เป็นเวลาหลายปีสอนหมดสติกำลังความสามารถไม่ว่าท ร, รมะขันไหนๆ น, นำออกมาหมดจนไม่มีอะไรเหลือภายในตัวเองนอกจากนั้นยังอาเทปพังถอตออกทิมอีกไม่รู้กี่เล่ม อันนี้เป็นส่วนใหญ่ที่เทศให้หมู่เพื่อนฟังมาเป็นเวลาตั้งสิบกว่าปีแล้วนี่จะเป็นจำนวนมากแค่ไหนขนาดท่านธูมาอาศัยสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีปิดดังลี้ลับไปอ้าวใครจะดำเนินก็ดำเนินเท่านั้นใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเท่านั้น ผู้เทศก็ไม่ดีได้ชั่วอะไรจากคําเชื่อหรือคํามไม่เชื่อ น, น, นอกจากเทศแล้วก็หมดการเทศแล้วก็เป็นเรื่องของตัวเองโดยเฉพาะมาตาหนิให้เสียมันก็ไม่มีอะไรจะเสียะจะมาชมให้ดีมันก็ไม่มีอะไรจะดีนอกจากมันจะดีอยู่กับผู้ตาหนิผู้ชมนั้นจะดีจะชั่วยอยู่กับผู้ติผู้ชมเทนั้นเพราะมันออกจากหัวใจคนนั้น เหตุออกจากที่ไหนผลมันก็จะมีที่นั่นเรื่องติก็ดีร่ำชมก็ดีผลดีผลชั่วมันก็จะเกิดขึ้นที่นั่นเป็นเรื่องของผู้นั้นรับเองจริงที่มุ่งประสงค์อย่างยิ่งก็คือว่าถ้าเราเป็นผู้มุ่งทำอย่างจริงจังแล้วหลักธรรมที่เราสอนยังไงนําไปดัดแปลงตนเองนั่นแหละหลักเหตุอยู่ที่นั่นผลจะไม่ต้องไปหาที่ไหนท่านเทศไปไหนก็จะไปถูกเรื่องของตัวเอง ถ้าตนรู้ก็จะไปเข้าใจในนั้นหมดพท่านเทศเรื่องของเราท่านก็รู้เราก็รู้อย่างนี้นั่นมันเป็นอันเดียวกันขันเป็นอันเดียวกันจิตเป็นอันเดียวกันคือความมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเรื่องอริยสัจจะทำทั้งสี่ทุกสมุทัยรสมาของท่านของเรามันเหมือนกันเหมือนกับว่าเป็นอันเดียวกันคือเป็นอันเดียวกันในหลักธรรมชาติว่ามันมีด้วยกันทุกคนแม้จะต่างเขาเพียงแต่ว่าชื่อนายกนายขอพระกอพระขอแต่เรื่องของสัจจะทแนี่เหมือนกัน ถ้าเราได้พิจารณาตามที่ท่านสอนเรื่องของเราก็จะเป็นเหมือนกับเรื่องของพระพุทธเจ้าเปน็นลาดับลงมาตลอดมรรคผลนิพพานจะไม่มีอะไรผิดแปลกกันไม่มีการมีสมัยมากดขี่บงังคับไปด้วยนอกจากเรื่องของเหตุเท่านั้นเป็นเรื่องสำคัญจะเป็นผู้สามารถผิดผลออกมามาได้เป็นขั้นๆตามแต่อำนาจของเหตุมีมากน้อยถ้าถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่ผลจะรอตัวอยู่ไม่ได้ ต้องแสดงออกมาอย่างแน่นอนนี่อยากฟังเหลือเกินผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของหมู่เพื่อนและเกิดขึ้นจากการแนะนำผําสอนทําสอนหมู่เพื่อนด้วยความเสียสละคุกอย่าง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่วามูเพื่อนจะเป็นผู้นำศาสนาต่อไปให้เป็นที่ดมเย็ยนแก่ตนเองและประชาชนทั้งวงของพระและว้วารวะดังนั้นจงพยายามปรับปรุงตัวเองซึ่งเป็นหลักสำคัญยิ่งกว่าส่วนอื่นใดให้ดีเมง่อผลพลอยได้นั้น ก็จากั้นกลางไม่ได้เหมือนกันนอกจากผลสำคัญที่เกิดขึ้นจากตัวเองเนี่ยยังจะมีผลลอยได้ไปอีกทำให้บ้านเมืองได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนั่นก็คือว่าเป็นผลลอยได้จากเราผู้ทำตัวให้ดีแล้วจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้